ให้คณะัทธาญาติโยมผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่วัดป่านาคำน้อยของพวกเราหลวงพ่อก็ได้ถามท่านออหน่อยพระที่เกี่ยวข้องว่าศาลาข้างในของเราจะเสร็จทันไหมสิ้นเดือนที่เราปูพื้นออท่านก็บอกว่าน่าจะทันแต่ว่า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 หลวงพ่อก็จะประกาศให้คณะสัทธา ญ, ญาติโยมทั้งหลายเพราะบอกเมื่อปีที่แล้วนะก็เดือนกุมภาที่เราบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนพระเศียนพระพุทธรูปที่พระประธานที่นั่งทังขวามือของหลวงพ่อเ่แล้วก็พร้อมกันเราก็ทำบุญรวมญาติวุตทิศสวนกุศลให้กับ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 วันที่โยวมวันดา ม, มรณะภาพท่านก็ได้ทำบุญท่านก็เปิดแบบกว้างนะว่าทำบุญเปิดโลกธาตุนพวกเราก็ได้ยินกันมาหลวงตาทำบุญเปิดโลกธาตุไอ้ค่ว่าสามแดนโลกธาตุคือกามโลกรูปประโลกรูปประโลกนี่แหละอันนี้คือหลวงตาพาดำเนินพาทำบุญจากนั้นท่านก็อุทิศส่วนกุศล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 จะตุปปัจจัยของเราที่วัดปานาขานอบกระถินผ้าปานได้มาเนี่ยเราจะถวายเจดีย์ทุกปีใช่ไม้มหลวงพ่อก็กะไวเ้เหมือนกันพาะพวกเราก็มีปากมีท้องมีการบูรณะปฏิสังขรนวัดวาศาสนาพวกเราจะถวายพระเจดีย์ตลอดไปก็คงจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ปีหน้าเนี่ยปี58าเนี่ยพวกเราอาจจะประชุมสงฆ์ขึ้นมาเออปีนี้เราจะเก็บไว้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 ลูกหลานก็คงจะได้หยอดข้าวต้มป้อนข้าวจากนั้นลงตาลงพ่อก็จะได้นอนหลับลืมตาพับผับกระยับกระเยื่นขาไม่ได้ต่อมาลงพ่อก็จะลุงพ่อก็จะหมดลมจากนั้นลูกหลานทั้งหลายก็เอาอไปเผาไฟใช่ไหมลงพ่อคิดถึงขนาดนั้นใช่ไหมไม่ต้องถามคนอื่น